เป็นไงภาวนากันสามหนุ่มโยดีแล้วนะอย่าไปแกล้งทำอะไรขึ้นไาอค่อยๆปล่อยไปให้หมดเลยเริ่มทำอีกแล้วนะคหมอหลักสันจากโรงพยาบาลศูนย์นครมศอันส น, นใจอย่างนี้ผมก็เลยพาไปครับเคยฝึกไหมเคยฝึกมาจากไหนม า, นา จ, จากนิชิตครับใช้ทางจิตรัสษาโรคอ๋อ มาไม่รู้จักนะฝึกแบบไหนพุย้ยมาแต่มาไม่มีพลังจิตเนาะมีแต่พลังสติสติรู้สึกไปรู้สึกรู้สึกตัวเรื่อยเร่รู้สึกตัวบ่อยๆฝึกแล้วรักษาโรคทางใจฝึกแล้วไม่ทุกโรคทางกายไม่นไรแค้คุณหมอไปฝึกมาแล้วรักษาได้ก็หวังไว้แค่นั้ น, ะนะครับ โลกทางใจโลกกิเลสคยเบียดเบียนคยแผดเผาใจของคนนะ่ะไม่เคยเต็มอิ่มนะมันจะดิ้นดิ้นดิ้ น, นตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะตั้งแต่เกิดจนตายตอนเด็กๆก็หวังว่าเรียนหนังสือจบแล้วจะมีความสุขอะไรงี่ดิ้นไปดิ้นไปจนแก่นะคุณหมออยู่โรงพยาบาลผมเห็นนะคนไข้เจ็บหนักบางคนนะววายๆนะตายเทได้จะเป็นสุข หาความสุขมาตั้งแต่เกิดจนตายนะหาไม่ได้หรอกใจใจมันจะไม่เต็มอิ่มใจมันจะดิ้นดิ้นดิ้นไปเรื่อยนี้ทำไงใจมันจะเต็มอิ่มขึ้มนมาได้เลิกดิ้นได้ถ้ามันรู้ความจริงนะว่าตัวเราไม่มีมันถึงจะเลิกดิ้นถ้ามันยังคิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆกายนี้ใจนี้คือตัวเรานะมันก็จะดิ้นไม่เลิกเขามันอยากให้ตัวเรามีความสุขอยากให้ตัวเราพ้นจากความทุกข์ ยังพระพุทธเจ้าสอนวิธีแ ก, โก้โรคทางใจให้ย้อนมาย้อนมาดูจิตดูใจของเราเวันใดเห็นว่าจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงอาการนี้ค่อยทุเลาเอ้าส่งกันบ้านไหมแล้ว อ, อ, อืมขนาดรู้กายก็รู้ไปนะอย่าไปเคร่งกายก็แล้วกันไม่สังเกตไหมกายเป็นของที่ใจไปรู้เข้า มันจะกระดุกกระดิกมันจะเคลื่อนไหวถ้าใจไปรู้เข้าอย่างถูกต้องนะมันจะไม่มีน้ำหนักรู้สึกไหมหรือยังมีน้ำหนักดูไปหนะ้าถ้ารู้ถูกต้องจะเห็นเลยร่างกายนี่ว่างเปล่าะใจก็ว่างเปล่าสมพงษ์เป็นไงสมพงษ์โอ้ตอบถูกถูกใจอีกแล้วมีลูกฝิดมีโมหะเช้าๆมาปริม่ม <laughs> ชอบนะชอบเพราะว่า สมพงมีโมหะแล้วรู้ว่ามีโมหะอย่างนี้อย่างนี้ชอบนะไม่ใช่ชอบที่มีโมหะหรอกชอบตรงที่รู้ทันนะถ้ารู้ทันมันก็ไม่มีปัญหาสมพงษนะ์จิตใจมันสบายขึ้นแล้วละ่ะค่อยตั้งมั่นขึ้นมาแล้วนะไม่ทําอะไรไม้บอกว่ารู้กายแต่ใจหนีวิเที่ยวโยหนุ่มโยเนี่ยไปพูดด้วยไม่ได้เพราะเขาแข็ง อ้าวใครจะส่งกันบ้านกับส่งกันบ้านไหมกับอ๋อดีขึ้นกลับดูไปดูไปเรื่อยๆนะกับดีขึ้นแล้วแหละค่อยๆรู้ไปจิตเหมือนเรือนะอารมณ์มากระทบก็คลงไปครงมาเอียงซ้ายทีเอียงขวาที อ, อห้ามไม่ได้นะยินดีทีหนึ่งก็ยินร้ายทีหนึ่งอย่างเงี้ยแว่งไปแว่งมา เขารู้ไปเราเห็นว่าเราห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เราเข้าใจความจริงนี่ส่วนใหญ่คนปฏิบัติเข้าไม่ถึงความจริงอันนี้เข้าไม่ถึงความจริงที่ว่าจิตไม่เที่ยงจิตเป็นของบังคับไม่ได้นักปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยมุ่งบังคับจิตตัวเองให้ดีอยากให้จิตดีอยากให้จิตสงบคิดว่าดีแล้วสงบถาวรแนละ้วจะบรรลุพระอรหันต์ไม่บรรลุหรอกบรรลุโมหะ อะไรพระจิตเป็นของไม่เที่ยงใครจะทำของไม่เที่ยงให้เที่ยงได้จิตเป็นทุกข์ใครจะทำของที่เป็นทุกข์ให้เป็นสุขได้จิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ใครจะบังคับมันได้เราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงเราบังคับเขาไม่ได้หรอกเขาแกว่งไปตามเหตุตามปัจจัยที่มากระทบมีอารมณ์ที่ไม่ดีมากระทบเป็นปัจจัยมากระทบนะกิเลสเก่าสะสมไว้ เป็นเหตุสนับสนุนให้โทสะเกิดจิตก็เกิดโทสะอารมณ์ที่ดีมากระทบนะโลภะอนุใสของโลภะราคานุใสทำงานขึ้นมาก็เกิดราคะห้ามไม่ได้หรอกแต่ถ้าเฝ้ารู้ความจริงลงไปเรื่อยนะมีสติเรื่อยกิเลส ท, ทำงานได้ไม่เต็มที่ให้กิเลสไหวแวบขึ้นมานะอนุใสปรุงกิเลสขึ้นมาแวบบสติรู้ทันแนะ กิเลสดับทันทีเลยคล้ายๆอนุใสยมันลงทุนแล้วมันขัดทุนตัวมันค่อยๆฝ่อไปเรื่อยๆ อ, อนุสัยจะเบาบางลงแล้วเฝ้ารู้ลงที่กายเฝ้ารู้ลงที่ใจไปเรื่อยๆวันหนึงเห็นกายเห็นใจไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงปล่อยลงไปมันปล่อยอาสวะก็จะหลุดออกไปเลยอาสวะเนี่ยคล้ายๆเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวเชื่อม ให้อนุสัยเนี่ยไหลเข้ามาสู่จิตได้อาสวะถูกทำลายไปอนุสัยก็ไหลเข้ามาหาจิตไม่ได้กิเลสไม่เกิดหรอกเนี่ยกรอบเคยดูไปนะกรอบดีขึ้นเนยอะแหละนะอย่าออกนอกรู้นอกทางนะออกผู้นอกทางเช่นหาวิธีปฏิบัติแบบใหม่ๆหหาวิธีบังคับกายหาที่วิธีบังคับใจ กอบนึกออกไหมว่าการปฏิบัติที่ผ่านมาที่เราล้มลุกคลุกคลานมาตลอดเนี่ยเพราะเราอยากให้มันดีเราพยายามปฏิบัติคำว่าพยายามปฏิบัติของเราเนี่ยส่งผลให้เกิดการบังคับกายกับบังคับใจมีสองงาหนึ่งเร า, อาคอยคุมตัวเองเรื่อยๆรู้สึกไหมที่ผ่านมาเราเปลี่ยนจากการคอยบังคับตัวเองมาเป็นการรู้ทันตัวเองทุกยอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปหมดเลย ใจมันจะโล่งว่างไปหมดนะอะไรเกิดขึ้นเล็กน้อยในจิตใ น, ในใจก็จะเห็นในที่สุดเราจะเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นกระบวนการทำงานของจิตที่จะปลุงความทุกข์ขึ้นมาถ้าเรารู้เท่าทันนะมันก็ปลุงไม่ได้รีชาเป็นไงห้ามไม่ได้นะ แค่รู้ทันวิชารู้ทันแล้วใช่ไหมเวลามันอยากให้จิตดีแต่ไม่ใช่แกล้งทำจิตให้ชั่วนะบางคนได้ยินหลวงพ่อสอนว่าไม่ให้เอาดีก็เลยนึกว่าหลวงพ่อสอนให้ชั่วชั่วไม่ได้เด็ดขาดนะเริ่มต้นเลยเราต้องมีศีลก่อนตื่นเช้าขึ้นมาตั้งใจงดเนบนบาปอกุศลห้าอย่างตั้งใจไว้ก่อน หลักจากนั้นในชีวิตธรรมดาเนี่ยมีสติรู้เท่าทันจิตใจของเราไปเรื่อยเรื่อยรู้ใจไม่ได้ก็รู้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนรู้ไปเห็นเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวอยู่ทั้งวันกุศลอกุศลเกิดขึ้นในจิตสุขทุกข์เกิดขึ้นในจิตเราก็คอยรู้ทันไปตามรู้เขาเกิดก่อนแล้วก็ตามรู้เข้าไปการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ให้เราลงมือทาอะไร เราไม่ทำอะไรเกินจากการรู้ตามความเป็นจริงนะรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงแค่นี้เรียกว่าปฏิบัตนะิถ้าเกินจากนี้ไม่ใช่ล่ะเกินจากนี้เป็นการหลงความปรุงแต่งฝ่ายกุศลนะอยากจะดีก็ปรุงใหญ่เลยนะกดข่มบังคับเครียดเก็บกฎนะมันทำของง่ายให้กลายเป็นของยากสิ่งที่ทำของง่ายให้กลายเป็นของยากนะท่านเรียกว่าปปัญจะทำ ทำที่ทําให้เนิ่นช้ามีตันหาอยากปฏิบัติมากก็ยิ่งดิ้นมากมีทิฐิคิดมากก็ยิ่งฟุ้งซ่านมากเปรียบเทียบไปเรื่อยไม่ยอมรู้กายรู้ใจมีมานะมากถือว่ากูเก่งกูรู้หมดละกูเลยเรียนอะไรไม่ได้เลยหรือกูโง่สุดๆละกูก็เลยเรียนอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะใจฝ่อยันเราอย่าให้กิเลสสามตัวนี้มาครอบงำความอยากปฏิบัตินั่นแหละตัวดีเลย ทันทีที่อยากปฏิบัติมันจะเกิดการหมายรู้มันจะหมายลงไปมันจจงใจเข้าไปรู้ทันทีที่จงใจเข้าไปรู้เนี่ยเกิดการกระทำกรรมลนะการกระทำกรรมคือการจงใจเข้าไปรู้เมื่อจงใจเข้าไปรู้ปุ๊บมีบากคือความทุกข์ก็จะเกิดทันทีเลยพีชาดูออกไหมจงใจรู้ปั๊บความทุกข์เกิดเลยไม่เป็นไรไม่ต้องรู้ทุกขณะเราไม่ใช่พระอราหันนะรู้บางขณะ ดีกว่าไม่รู้เลยรู้ตลอดเวลานะหลวงพ่อจะห่วงมากเลยเพี้ยนะไปนั่งจ้องนั่นแหละเอา้าอ้อปลาทองว่าไงอ้อแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้เผลอหรือเพ่งดูให้ดีนะทั้งเผลอทั้งเพ่งรู้สึกไหมใจก็ยังแข็งแข็งอยู่อะไรนะนั่นแหละมันจะบัคับตัวเองไว้นะ ตรงในข้างบังคับนะอ้อดูให้ดีนะอย่างตอนนี้อ้อฟังหลวงพ่อพูดอ้อรู้สึกไหมใจอ้อมาอยู่กับหลวงพ่อเราลืมตัวเองนะอ้อดึงความรู้สึกตัวกลับไปที่ตัวเองแล้วรู้สึกไหมไม่ดึงปล่อยทิ้งไปเลยนี่ลูกศิษย์รุ่นเก่าๆนะพวกนี้ดูสิแต่ละคนผ่องใสไหย <c oughs> เรียนกับหลวงพ่อนะฟังยาก ฟังยากฟังไม่รู้เรื่องไม่ต้องรู้เรื่องหรอกทนๆนฟังไป ใ, ใจมันตื่นขึ้นมาเองอ้อทำอะไรตอนนี้อ้อทำอะไรอยู่เออให้รู้ทันนะรู้ทันฝนเป็นไงฝนของใสดีเลยหัวละเลย <c oughs> <c oughs> ดีแล้วนะแต่ละคนใช้ได้อ้อก็ดีขึ้นแล้วล่ะ เอาคอรู้คอยดูรู้ทันตนเองสิ่งที่ผิดมีสองันนะก็เผอไปกับเพ่งเอาไว้นักปฏิบัติเนี่ยชอบเพ่งพอเพ่งแล้วมันจะเกร็งเกรง่างกายก็เกร็งเกงจิตใจก็เกร็งเกรงแข็งแข็งขึ้นมาให้เรารู้รู้ไปเกร็งก็รู้นะแต่เดิมเราคิดว่าเกร็งเรียกว่าปฏิบัติบางคนชอบนะเกรงเกร็งแล้วบอกว่าได้ปฏิบัติ ใจทื่อๆไม่หนีไปไหนบอกวันนี้สงบน่าสงสารอ <c oughs> อเคยรู้สึกไหมเวลาเราไม่ปฏิบัติรู้สึกว่าไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่รู้สึกไหมพอลงมือปฏิบัติมันทุกข์มากกว่าเก่าจิตใจเราบางทีแข็งแข็งขึ้นมาถ้าเรารู้จริงๆนะใจมันจะไม่แข็งหรอกรู้เล่นๆนน <c oughs> อะไรนะ เออเออดีละนะเห็นไหมกลายเป็นของถูกรู้ถูกดูใจเป็นคนไปรู้ไปดูนะเบื้องต้นเราหัสไปอย่างเนี้ยเรียกว่าหัดแยกรูปแยกนามนะร่างกายเคลื่อนไหวไปใจเป็นคนรู้คนดนะูถ้ามันมีรูปกับนามแยกกันเนียจะเห็นทันทีกายนี้ไม่ใช่ตัวเราอ้อดูออกไหมกายไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของที่ใจไปรู้เข้านะกายลดระดับจากความเป็นตัวเรา เหลือแค่ความเป็นของเราเป็นกายของเรารู้สึกแม้กายของเราแต่ไม่ใช่กายเป็นตัวเราแล้วแต่จิตนี่ยังเป็นตัวเราอยู่มันลดระดับได้นะแต่เดิมคิดว่าตัวเราไอ้ ก, ก้อนนี้ทั้งหมดนี้คือตัวเร า, ารรก็หันแยกรูปแยกนามออกมากายจะลดดีกรีลงเลยเป็นแค่กายของเรานี่มือของเราเข้ารู้ไปเรื่อย วันหนึ่งจะปล่อยวางไม่เห็นว่ากายเป็นของเราแต่นั้นภูมิของพระอนาขานะใช่ภูมิเราตอนนี้อาแต่วทรงกันบ้านเป็นไงล้าแต่วอยากให้ตั้งมัานแบบไหน <c oughs> เราไม่พูดถึงความน่าจะเป็น เราพูดถึงความเป็นจริง น, ะนักปฏิบัติเนี่ยอย่าสนใจความน่าจะเป็นนะถ้าความน่าจะเป็นของเรานะสุดขีดเลยเราหน้าจะเป็นพระอรหันต์สักทีนะนี่น่าจะเป็นนะหรือรองลงมาหน่อยเราน่าจะรู้ธรรมสักทีรองลงมาอีกหมายจิตเราน่าจะไม่หลงเลยทั้งมัน่นทั้งวันทั้งคืนเนี่ยล้วนแต่ความน่าจะเป็นนะให้เราเรียนรู้ความเป็นจริงของมันนะเราไม่ได้ไปมุ่งเอาดีหรอก เราใครรู้กายเครรู้ใจกายไม่ใช่ตัวเราจิตใจเป็นของไม่เที่ยงรู้สึกไหมแต่ใจเปลี่ยนทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่เราทำถูกแล้วนะใช้ได้แล้วดีแล้วที่ทําอยู่ทุกวันเนี้ดีแล้วงั้นเราไม่ใช่ไปคาดหวังว่าสติเราจะเกิดตลอดเวลาแต่เราเห็นตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจิตใจเป็นของไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆดูออกไหม โอ้เจ้าพลุทำไมร่ำนี้ดูตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยเขายังติดพ่ออยู่ไหม <Yeah. S 1> แล้วกรรมของอาจารย์สุรวัตร <c oughs> ทำดีก็อุปรสรรคเยอะนะอาจารย์เนาะอา <c oughs> จารย์สุรวัตเป็นไงบ้าง <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกนะหลวงพ่อไม่สอนอะไรหรอกทำเอาเอง เดินไปเรื่อยรู้ทันความปรุงแต่งมานหนึ่งพ้นความปรุงแต่งแต่อย่าไปปรุงแต่งกระทั่งการรูนะ้ไม่ปรุงแต่งการรู้ไม่ปรุงแต่งการละไม่ปรุงแต่งความรู้ความเข้าใจนะมันจะรู้ก็ให้มันรู้ไปนะมันจะเข้าใจก็ให้มันเข้าใจไปมันจะละก็ให้มันละของมันเราเป็นปฏิบัติแบบไม่มีส่วนได้เสียนะคล้ายๆ ค่อยนะมีลูกออนาทีสุดท้ายดีแล้วนะอาจารย์สุรวัตรนานดีแล้วล่ะเออดีเออไม่ห้ามมันให้ค่อยรู้มันน ะ, เ, นะเราเดินแปนะเราเดินเอาความรู้สึกตัว เราไม่เดินเอาระยะทางเราไม่เดินเอาเวลาบางคนเดินเอาระยะทางรีบจําจ้ำไงเหมือนคนโบราณเรียเหมือนตามปวาย <c oughs> จ้ำจําจ้ำจ้ำไปนะกะว่าเดินได้ครบหนึ่งพันรอบแล้วจะเลิอกอย่างรีบจําให้เหมือนครบแล้วสบายใจพวกหนึ่งเอาเวลาจะเดินสามชั่วโมงเดินเมื่อไหร่จะถึงสามชั่วโมงแล้วทีวันไหนถึงแล้วก็สบายใจเราไม่ได้เอาอย่างนั้นเราเดินเอาสติ แล้วเาเดินไปเดินไปสบายๆนะอาจจะช้าลงหน่อยหนึ่งก็ได้หรือถูกจิตที่จะเคลื่อนไหวเร็วๆก็ได้ช้าก็ได้เร็วก็ได้ไดไดอะไรก็ได้เท่านั้นแหละเคลื่อนไหวไปพอใจลอยปุ๊บไปรู้สึกตัวก็เดินต่อไปอีกนะถ้ามันลอยรุนแรงแล้วรู้สึกตัวยืนเลยก็ได้หยุดเลยรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็เดินเอาใหม่เดินไปสุดทางจงกลมเดีย๋ยวเพิ่งหันกลับมาตอนเนี้เป็น จุดอ่อนที่กิเลสจะโจมตีพอสุดทางเนี่ยหยุดรู้สึกตัวซะก่อนค่อยๆหันกลับมาหันกลับมาอยา่าเพิ่งเดินถ้าหันกลับมาแล้วจะเดินทันทีเนี่ยจิตมันจะเดินไปก่อนขามันจะไม่สัมพันธ์กันกายไปทางหนึ่งจิตไปทางหนึ่งใช้ไม่ได้แล้วเราหันกลับมาเรารู้สึกตัวให้สบายๆแต่ไม่ใช่แข็งนะไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้มันจะไปตีออกับเขาแล้วเหมือนพวกสมุไรยอย่างนั้นไม่ได้นะ จะฟันหัวเขาแล้วรู้สึกตัวสบายๆนะก็ก้าวเดินไปเดินไปพอใจลอยก็อจจะหยุดก็ได้รู้สึกตัวใหม่แล้วก็เดินใหม่นะเดินไปเรื่อยรูนะ้สึกความรู้สึกตัวมันจะตั้งขึ้นตั้งขึ้นถึงจุดหนึ่งเราก็จะเห็นโดยที่ไม่ได้เจตนาจะเห็นร่างกายที่กำลังเดินอยู่นี้เป็นรูปมันเดินไม่ใช่เราเดินลนะร่างกายนี้เป็นรูปเดินใจมันเป็นคนดู เฝ้ารู้เฝ้าดูไปเห็นมันเดินถึงจุดนี้มีสิ่งที่ต้องระวังก็คือพอรู้กายมันเดินไปนานๆนี่ยจิตชอบถล่มเข้าไปเพ่งกายเนี่งั้นเราก็รู้ทันว่าจิตถล่มลงไปแช่ที่กายละรู้สึกตัวใหม่หยุดเดินกันรู้สึกตัวนะแล้วค่อยเดินแต่เห็นร่างกายมันเดินอีกหรือว่าเดินเดินอยู่กุศล น, นะกุศลอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจเราก็ค่อยรู้ทันนั่นการปฏิบัติรู้กายไปรู้ใจไป เอากายเป็นเครื่องสนับสนุนความรู้สึกตัวจะทําง่ายถ้าดูจิตล้วนๆเลยมนะันทำได้กับบางคนนะบางคนดูจิตล้วนๆก็ได้นี้ถ้ากําลังเรายัางไม่พอใจเราไม่ตั้งมั่นะเราก็เอาการเคลื่อนไหวเอาการปฏิบัติในรูปแบบเป็นตัวช่วยนี่คนอื่นไม่เกี่ยวนะผพ่อสอนอาจารปูธรรมะเปนเรื่องเฉพาะตัวนะเดี๋ยวเรียนแบบกันยุ่งเหยิง ค่ะเมือเด็กตอนจอก็สังเกตว่ามันมึนบ่อยมากๆเลยเอออยากหายไหมมันอยากหายเห็นไหมมันอยากแล้วมันรู้สึกสันอาโทสะก็เกิดให้รู้ทันโทสะไปนะให้รู้ทันสงสัยไปนะถ้าเราเคยฝึกดูจิตนะเราปฏิบัติง่ายมากเลยมันจะพลิกแปลงมาไม้ไหนนะมันรู้ทันได้ทั้งหมดแหละแต่กว่าจะรู้ทันทั้งหมดนะโดนหลอกมาทั้งหมดแล้วนะ หลวงพ่อนะหัวปักหัวปั๊มเลยตอนหัดปฏิบัติเราอยู่ห่างครูบาอาจารนยะ์่ะโอ้ยป่าจะเข้าใจแต่ละตัวนะถูกหลอกมาสาหัสจักนบางตัวนี่นะค้นกว้าพี่นาอยู่เป็นเดือนเลยใจยังไม่แจ้งใจมันก็เวียนกลับไปสังเกตุตัวนี้เรื่อยๆแอบไปหางานทำนี่ทำให้เนวนช้านะมันห่วงปัญญามากแต่มันนี้ใสใสคนไหนที่จะเรียนไปเป็นครูเขามันจะมีนิสัยแบบนี้ มันไม่เลิกหรอกจะค้นคว้าไม่เลิกนะดีแล้วจัน์ปูใช้ได้อ้าวชาติชายชาติชายใช้ได้แล้วดีแล้วใช่ดูตัวเองออกไหมภาพรวมดีขึ้นเอองั้นไม่ต้องคุยคุยเดี๋ยวผม